2 2งเกธรรมกายคือผู้ใดเห็นธรรมผู้นั้นเห็นเราตถาคตผู้รู้แจ้งโลกจึงเป็นผู้ได้เรียนรู้เวทนามาตามความตรัสรู้ของพระพุทธเจ้าอย่างสัมมาทิธฐิแล้วปฏิบัติจนหลุดพ้นโลกเป็นผู้บรรลุความเป็นเวทนา108บริบูรณ์สมบูรณ์ เพราะเรียนรู้จากรูปและนามของตนจากภาวะที่เป็นกายให้เจ้าตัวเรียนรู้มาตลอดแล้วปฏิบัติจนบรรลุธรรมสำเร็จเป็นธรรมกายหรือพรหมกายตามที่พระพุทธเจ้าตรัสว่าผู้ใดเห็นธรรมผู้นั้นเห็นเราตถาคตอย่างสัมมาทิฐิสมบูรณ์ แต่ไม่ใช่ว่าไปเห็นแบบหลับตาเข้าหลับตาเข้าไปทำสมาธิในพระวังแล้วก็ไปพบพระพุทธเจ้าในแดนสุขาวดีหรือพุทธเกษตรแล้วก็เอาข้าวปลาอาหารไปถวายพระพุทธเจ้ากันอย่างที่สำนักธรรมกายเขาทำกันนั้นดอกนะอย่างนั้นอาตมาขอยืนยันว่านั่นมันมิจฉาทิฐิ นี่เป็นความเห็นทางวิชาการที่อาตมาขอแสดงความรู้ความเห็นของอาตมาที่ขอคัดค้านอย่างจังปฏิกโกศากับความเห็นผิดนิชฉาทิฐิที่สำนักธรรมกายแสดงประกาศกันอยู่เป็นภัยต่อความเป็นศาสนาพุทธอย่างร้ายแรงยิ่งสำนักของคนไทยที่แพร่หลายออกไปทั่วโลก เพราะมีหลักฐานและปรากฏการณ์ที่โจ่งแจ้งชัดเจนหลายคดีแม้ถึงขั้นมีพระลิขิตของพระสังฆราชหลายฉบับได้ทรงประกาศว่ามีพระในสำนักธรรมกายปาราชิกแล้วให้ผู้ที่ควรจัดการจัดการกันได้